อีกสูตรหนึ่งะครับพระโหกรสูตรนะครับว่าด้วยผู้มีอุปการะมากดูการพิสูจน์ทั้งหลายพราหมณ์และเครืหาบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายนะครับชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะสัตวพูดสำนวนเราๆทุกวันก็คือชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะมีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร น, นะครับกระถินไปหยกๆ ย, ยกกบผ้าไม่ค่อยขาดตกบกพร่องเลยนะบำรุงด้วยบินทบาทนะครับแต่ละมือก็เลือเฟือบำรุงด้วยเสนาสนะกุตินี่นะครับมิชิดอย่างนั้นกุติปูนกุติไม้เห็นตอนนี้หนะหรือแม้กระทั่งคีฬานะปัจจัยเภสั์บริการไม่ว่ายาอมยาสรพัดยานะครับ แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และเครืหาบดีทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจันรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และเครือหาบดีเหล่านั้นเธอดนะครั บ, น, บนะเขาบำรุงเธอด้วยปัจจัยสีเธอก็บำรุงเขาด้วยธรรมนะครับนั่นนะ ธรรมะในเบื้องต้นทรรมกลางและที่สุดนะคะดูการพิสูจนทั้งหลายเครือขัดและบรนประชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งการและการด้วยอํานาจอามิสทานนะครับคาราวะบำรุงภาพพิสูจนทั้งหลายด้วยอามิสทานพิสูจนทั้งหลายก็บํารุงการด้วยธรรมทานอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อต้องการสลัดโอกะเพื่อทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญนะน่ะ นักบวชก็อาศัยค า, วาราวะคารวะก็อาศัยนักบวชนะครับคารวะาก็บำรุงหรือว่ามีอุปการะต่อนักบวช ด, ด้วยปัจจัย4นักบวชก็อุปการะแก่คารวะาเหล่านั้นด้วยพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าเครือข่าและบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยกันและกันทั้งสองฝ่าย ย่อมอยังสัตรรทำอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สำเร็จคือบรรพชิตทั้งหลายย่อมปราถนาเฉพาะจีวรนบินทบาทที่นอนที่นั่งและกีฬานะปัจใจอันเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งอันตรายจากเครือหัสทั้งหลายนะครับคือภิกษุนี้ต้องการปัจใจสี่จากคารวะนะครับแต่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับ ส่วนเครือหัาทั้งหลายผู้ครองเรือนอาศัยพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วเชื่อถือซึ่งถ้อยคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย น, นะครับให้เชื่อถือถ้อยคาของพระพุทธเจ้านะครับมีปกติเพ่งพินิษ ด, ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์นี้ประพฤติ ธ, ธรรมะอันเป็นทางไปสู่สุขติในศาสนานี้มีปกติเพลดิดเพลินเป็นผู้ใคร่กรามบันเทิงอยู่ในเทวโลกนะครับ แล้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะครับในอัตกถามีอธิบายความโดยย่อว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพรามเครือหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลาย ซึ่งได้แก่ทั้งพราหมณ์ทั้งผู้ครองเรือนที่เหลือเนี่ยนะเธอทั้งหลายเท่านั้นที่เขาพากันทํานุบำรุงด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นด้วยคิดนี้ว่าเป็นบุญยเขตของเราทั้งหลายเขาคิดมานะเออพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่เป็นนาบุญของเขานะครับ ซึ่งพวกเราจะพาการปฏิสถานไซึ่งทักษิณาอันมีค่าสูงมีผลอันงามเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อให้เกิดในสวรรค์นะครับเขาก็คิดว่าโอ้นาบุญของเขาอะนะท่านเขาจึงทาพาการทำนกบำรุงด้วยปัจจัยซี่นะครับท่านหนาวก็หาผ้าให้ถ้านหิวก็หาอาหารให้ นะครับหาที่อยู่ที่อาศัยหาจัดแจงกุฏิเสนาสนะอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นต้นนะครับขวนขวายตอนนี้ก็ดังปกเป๊กเป็นต้นเนี่นะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงว่าเครือข่ายทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พิสูจนทั้งหลายโดยการถวายอามิตคือโดยการแจกจ่ายแบ่งอามิตรนะครับคือเขาทําไร่ไถนาเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็แบ่งอาหารของเขามามาถวายเป็นต้นนี่นะครับ โดยการอนุเคราะห์ด้วยอมิตรอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงว่าแม้พิสูจน์ทั้งหลายก็มีอุปการะแกเครื่อหัตเหล่านั้นเหมือนกันโดยการให้ธรรมะคือโดยการแจกแบ่งพระธรรมได้แก่โดยการอนุเคราะห์ด้วยพระธรรมพระธรรมนะพระธรรมนะสวะขาโตนะครับไม่ใช่โอ้โหสักแต่ว่าพูดพร่ำไปเป็นชั่วโมงมันไม่ใช่สวะขาโตนะครับต้องเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์ น, นะครับ จึงได้ตรัสว่าตุมให้ปิพิคเวนะครับด้วยคํานั้นพระองค์ตรัสถึงอะไรตรัสถึงการอ่อนน้อมต่อบินทบาทคือให้มีความเคารพต่อบินทบาทนะก็ในข้อนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนพิศูทั้งหลายเพราะเหตุที่พรามณ์คริหะบดีเหล่านี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่ลูกหนี้ของเธอทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเขาต้องการผลวิเศษโดยเข้าใจว่า สมณะเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ช, ชอบปฏิบัติชอบบุญที่เราทั้งหลายทาในสมณะเหล่านี้จะมีพลานิสงมากดังนี้จึงทานุบํำรุงเธอทั้งหลายด้วยปจัจจัยสีมีจีวนเป็นต้นฉะนั้นเธอทั้งหลายค ว, ควรให้ความประสงค์นั้นของพวกเขาเต็มเปี่ยมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะครับควรทำตัวให้สมประสงค์เขาหน่อยอะนะ แต่เขาทำบุญอุทิศให้เปรตก็ยังไงขอให้เปรตเขาได้รับก็ยังดีนะครับให้เป็นทักษิณยะบุคคลหน่อยนะครับรนะไม่อย่าให้เปรตประท้วงโอ้ยพวกสมณนะศีษะโลนขโมโยแย่งเอาไปกินหมดแล้วนะอย่าให้เปรตไปประท้วงในเปรตโลกนะแม้พระธรรมเทศนาก็จะงดงามและน่าเชื่อถือสําหรับเขาเหล่านั้นผู้ทําตามอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่สําหรับคนเหล่าอื่นนอกจากนี้เธอทั้งหลายพึงทําความไม่ประมาทในสัมมาปฏิบัติดังพันนานา ม, มานี่แล้วนะอย่าพากันประมาทนะส่วนในคําทั้งหลายเมียที่ว่าเอวะมิทังพิขเวมีความย่อดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเครือขัดและบรรปชิตทั้งหลายต่างก็อาศัยกันและกันด้วยอํานาจอามิสทานและธรรมทานมีประการดังที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ อยู่ประพฤติศสาสนพรหมจรรย์คือศีลสมาธิและปัญญาและมัคคพรปมจรรย์ น, นี้ด้วยอำนาจนิยมอุโบสถศีลเป็นต้นนะครับรักษาศีล8ดศีลห้าเป็นต้นเป็นประจำนะครับด้วยอำนาจหรือว่าจตุปาริสุทธิศินะถ้าคารวะก็ศีลหศีลแปถ้าเป็นพระภิกษุก็จตุปาริสุทิศีล เ, เป็นต้นเพื่อต้องการถอนโอฆ่าทั้งสี่อย่าง ด้วยสา ม, มารถแห่งกามะโอคะทิโถโคะภวะโยคะแล้วก็อวิโชโคะนะครับและเพื่อทําที่สุดแห่งวัตฏทุก์แม้ทั้งหมดโดยชอบนั่นเองนะครับคือหมายความว่าทั้งเครือขัสและบรรพชิตต่างอาศัยซึ่งกันและการย่อมยังสัตย์ธรรมคือศีลเป็นต้นนะครับอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ก็สา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกขได้นะครับสา ม, มารถสลัดออกจาก ห่วงน้ำคือกามโมคะเป็นต้นได้ส่วนในคาถาเมียทีบายว่าบทว่าอุโพอัญโยนะนิสิตาความว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็อาศัยกันอธิบายว่าครหัสผู้มีเรือนอาศัยธรรมทานของบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนและบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนก็อาศัยการถวายปัจจัยของเครือข่าผู้มีเรือนนะครับ บดว่าสัจ ธ, ธรรมมังได้แก่ปฏิบัติสัจธ ร, รมและปฏิเวสสัจธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมะที่สูงสุดในบรรดาสัจธรรมเหล่านั้นจึงได้ตรัสว่าโยคัคเขมังอนุตรังคือพระอรหันต์และพระนิพพานนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนาะย่อมอย่างสัจธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สําเร็จนั้นได้แก่พระอรหันต์และนิพพานนั่นแหละ บทว่าสุขตังได้แก่พระอริยะบุคคลแปดจำพวกพร้อมด้วยกัลยาณปุูตุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบแล้วความจริงภาษาวกพระองค์ทรงประสงค์ว่าสุขตะในพระคถ า, านี้บทว่าคระเมซิโนได้แก่ผู้สแสวงหาเรือนอธิบายว่าผู้มีปกติอยู่ครอบครองเรือนและสแสวงหาอุปกรณ์แห่งภกทรัพย์และคุณธรรมมีศีลของครหัเป็นต้นอันนี้หมายถึงครวะนั่นนะ สัทหันต์ตาอรหัตตังความว่าผู้เชื่อถ้อยคําของพระริยเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์หรือเชื่อข้อปฏิบัติชอบของท่านเหล่านั้นอธิบายว่าเชื่อมั่นอยู่ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติชอบแน่นอนสําหรับผู้ปฏิบัติตามที่ท่านเหล่านี้บอกการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินะครับ บทว่าชายโนความว่าเป็นผู้เพ่งด้วยฌานทั้งสองคืออารัมมณูปนิสชานและลักขณูปนิสชานก็คือเจริญสมถาวิปัสสนานั่นเองนะครับบทว่าอิทะธรรมมังจิรตวานะความว่าครั้นปฏิบัติธรร ม, มะมีศีลเป็นต้นที่เป็นทางแห่งโลกิีสุขและโลกุตระสุขในอัตภาพนี้หรือในศาสนานี้แล้วจะไปสู่สุขคติตลอดเวลาที่ยังไม่บรรลุพระนิพพาน ถ้าประพฤติปฏิบัติไปตามนี้เนี่ยนะสวรรค์ทั้งหลายก็สแสวงหาไม่ยากนะครับเมื่อคารวะบำรุงพระพิสูด้วยปัจใจสีพระพิสูจก็สงเคราะห์คารวะด้วยธรรมทานนะครับต่างฝ่ายต่างประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นก็เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัตรทุกข์ทั้งทั้งหมดนะครับบางทีบางคนเขาก็อยากจะช่วยท่านองค์ศาสนา โดยการที่แสดงทําให้กับญาติโยมฟังแต่ว่าก็ขนวาวมากเลยครับแบบปีๆหนึ่งก็ไปจัดงานปฏิบัติธรรมตรงนน้นปฏิบัติธรรมตรงนี้ไม่ได้อยู่แด้หย่อนในดูๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านที่ท่านพอใจแล้วก็ดูๆจะเป็นเรื่องดีครับ ก็พิจารณาเอาแต่แต่จะเห็นสมควรนะครับว่าอย่งางไรจึงจะพอดีนะครับ